น, นี่คือโอมาทว่างนะครับแต่ก่อนที่ขึ้นโอมาทว่างนี่ผมพูดในในนี้ก่อนน้ที่เคพูดว่าเกี่ยวกับการพิจารณาปจัจจัยสี่ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้พิจารณาปัจจัยสี่ก็เป็นอะไรตายไปแ้วไปเจอเป็นยักษ์เมื่อไหร่ยินนะครับตอนนั้นผมยังไม่เจอหลักฐานนะแต่อันนี้เจอแล้วครับมาเจอในงานวิจัยเนี่ยที่บอกว่ามีที่นูผว่าไม่พร้อมกับกำเนิดขอ ง, ของ นรกใ่ไหมครับนรกสองที่นะที่มับอกว่าไม่เพราะเรื่องของนรกเป็นอะฉานอิกที่บอกว่าก็เหมือนย่างรกไปนะครับอเนี่ยอ่านตรงนี้ฟังนะครับถ้าบอกว่าถ้าไม่พิจารณาหรือไม่พิจารณาปัจจัยสี่นะครับอทําให้เสียประโยชน์เตจตาโรปปจารยอัปัจ้าจ เ, จเวขิตะวาเป็นต้อนนะละแปลงนะครับ พรวพิสุเหล่านั้นบริพ้อโดยไม่พิจารณาปัจจัยสี่โดยมากไม่จะไม่พ้นจากนารกและสันดิบฉานอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนีครับ เ, เนี่ยไม่ได้ไปทำผิดสีอะไรนะแค่ว่าไม่ได้พิจารณาปัจจัยสี่ละี่นบะบอกเนี่ยไม่พ้นจากนารกและสันดิบฉานเพศดาทรงสร้างเหตุนั้นตามธรรมะธรรมกฐานแก่พิสุทั้งหลายโดยปริยายเป็นอันมาก ตัดถึงโทษในการไม่พิจารณาปัจจัยแล้วใช้สอนแต่ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดาพิสูจได้รับปัจจัยสี่แล้วไม่พิจารณาบริโภคไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นจําแดงแต่นี้พวกเธอต้องพิจารณาแล้วจึงขอดบริโภคเมื่อทรงแสดงวิธีพิจารณาทรงวางแบบแผนไว้โดยในมีอาที่ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันหนึ่งพิสูจนในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยยยกทายแล้วจึงใช้สอนจีวรและเพื่อต้องการปกผิดอวัยวะที่น่าอายและแต่ดว่าดูก่อนพิสืจนทั้งหลายการพิจารณาปัจจัยสี่อย่างนี้แล้วบริโภคย่อมสมควรขึ้นชื่อว่าการไม่พิจารณาแล้วบริโภคเป็นเช่นกับการบริพกองยาพิษที่ร้ายแรงยิ่งใหญ่แลแ้วก็ตามไม่ทิมนะครับตรงที่ว่ า, าน่าร้องแรกในกราชเนี่ย ตอนนี้เขาจะว่าเรจะพูดถึงพ่อพูดถึงพระพิสุรานั้นนะครับน่าจพูดถึงพสุในยุคสมัยของพระกัป่สมมาสมุทจะเจ้านะนะครัในยุคหลังในสมัยของพระกัจป่สมมาสมุทจะเจ้าที่ว่าพระพิสุยุคหลังน่ะเป็นผู้ที่มีศีลม่ดีนะครับก็ไม่ได้พิจารณาปัจจเจศีด้วยนะเพราะไม่ใส่ใจอยู่แล้วนะครัไม่ศีนเขาก็พูดไม่ได้นะ การพิจารณายังไม่ต้องพูดถึ ง, งนะครับเพราะไม่โดยมากเลยนะไม่พ้นสนนโกอัสุรินทาสามแต่เนี่ยพูดถึงอีกที่หนึ่งถว่าถ้าเรามีสีเดียก็ได้อย่างพอช่วยได้บ้างใี่ไหม <c oughs> ตอนนี้ครับฟองตันไวท้ที่หรือว่าพิฆเวพิ ข, พ ข, ขูนามะยาตีหิอันยาตีหิปิเป็นต้นนะนดูก่อนที่สุดทั้งหลายพระ ที่สุดนะครับการพิจารณาบริโภคปัจจัยสี่ที่ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นถวายมาถ้าไม่พิจารณาบริโภคหากเสียชีวิตนี่ไงไอตอนที่ฉันไปไม่ได้พิจารณานะหากเสียชีวิตจะไม่พ้นจากความเป็นยักษ์และเปรตเนี่ยนะถึงรักษาเสีอะไรได้นะแต่เมื่ได้พิจารณาปัจจัยสี่นะครับตายไปนะเป็นยักษ์เป็นเปนะครับอันนี้ ปัจจัยเนี่เป็นปัจจัยที่ญาตเราถวายหรือคนไม่ใช่ญากิคนละแต่นะบางคนก็มอกอ้าเฉพาะคนที่ไม่ใช่ยากเราถวายแล้วถึงเป็นนี่ถ้ายากิยังพ่อหรือแม่ถวายแะก็ไม่เป็นนี่ไม่เป็นโทษอย่างนี้นะไม่ใช่นี่ครับเป็นโทษทั้งหมดนะถ้าเราไม่ได้พิจารณานะครับจนเป็นยากิหรือไม่ใช่ญาตนะครับถวายมานะถ้าไม่ได้พิจารณาเนี่ยหากตายเสียนั้นนะก็จะไม่พ้นจากความเป็นยากิลงไป แล้ก็มีต่อว่าอปจไวคิตาปริภโภคโนามิส mm hmm. ต์ต้นนะครับึืนชื่อว่าการบริโภคปัจจัยสี่ที่ไม่พิจารณานี้เป็นเช่นกับด้วยการบริโภคยาพิษ mm hmm. เนี่ยเมื่อการบริโภคยาพิษนครับแม้ที่คนคุ้นเคยกันให้แล้วก็ตามแม้คนที่ไม่คุ้นเคยกันให้แล้วก็ตามย่อมเขาไม่ตายทนะั้งนั้นใช่ไหมครับ ยาพิษน่ะใครจะให้เรามาใช่ไหม <S <S จะเป็นยาสนิทมิสหายหรือว่าใครคนอื่นก็แล้วแต่ให้เรามานะ่ะถ้าเราบางกินน่ะก็ตายทั้งนั้นจใชมไหมเราอันนี้ก็เหมือนการนัปัจจัยสี่น่ะใครถวะมันก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาก็มีโทษน <S <S ั่งครับอย่างนั้นแล้วจะทายังไงถึงจะพิจารณาปัจจัยสีได้เสมอๆตลอดๆนะครับตอนนี้เป็นไรนะเป็นปจัจจญาชนิสตจารีใช่ไหมครับ สีนที่อาศัยการพิจารณาปัจจัยนะตอนนี้เราจะใช้บริบูรณ้ต้องใสยอะไรครับอะไรครับสติสติสติอันทายังไงสตินึงจะดี่ะก็ต้องมันเรื่อยอยู่บ่อยๆต้องมันเรื่อกอยู่บ่อยๆทำยังไงถึงจะมันเรือ่อยบ่อยๆยได้ครับก็มีสติ <laughs> เขาจะต้องปฏิบัติเลยนะครับต้องปฏิบัติไม่พ้นจาการปฏิบัติไปได้นะครับเจริญสติปัญญาไงเราจะมีสติดีก็ต้องเจริญสตินี่ครับเพื่อเจริญสติปัญญาแหละการปฏิบัตินะเจริสติปัญญาเนี่ยจะเกื้อกูลแล้วก็กาการรักษาปฏิโมกข์สังวรมเหนื่ยนะแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เสื่อมบริสุทธ์ทั้งสี่ของเราบนภูลนมิได้นี้ครับัข้าวี้รคับ ห น, นึ่งเดียก็ได้ครแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับ ม, มันก็ยังเรียนว่ามันจะขาดอยู่เยอะๆครับใช่ครับมันก็มันก็มันก็ขาดแบ่งบ้างนะแต่หมายความว่าที่เราต้องการให้ทําได้ดีๆอย่างนี้นะ่ะครั บ, รบต้องใส่การปฏิบัตินะเป็นตัวช่วยเพราะเวลาเราปฏิบัติจริงนะอาจารย์ให้ใส่ใจทั้งหมดเลยนะเห็นความจําเป็นในการใช้อะไรแต่ละอย่าง แต่เราตื่นยังหลับเลยต้องทำอะไรบ้างนะดูเห็นไหมาจาง ก, ก็อจะสร้างคำถานะครับเนะี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้สุดกนะได้สุดคิดเจรนาในการใช้ปัจจัยตลอดนะถ้าเราทําได้ถึงที่สุดนะสบายไม่ต้องกางวลอะไรเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงยีงไม่ได้เขายย้าปฏิบัติเนี่ยนะมันก็พอได้นะครับแต่ว่ามันจะบริบูรเลยเนะี่ยก็ยากยนะ มันจะขาดจะแหวไปเยอะอเแล้วก็ต้องสายอะไรท่านไม่ด้ตอนนั้นก็สายมาพิจารณาย้อนหลังใช่ไหมนนี้เป็นาสตรนสัผู้มีศีั้งหมดเป็นอ๋อนี่คงหลืนพิสุทธ์สัมปะเนห์นะครับาสร์ธรมิสนะพิสูท์พิสุิ์นัมปนาสัมปะเนสัมปะเดีเมนกันครับีหลักฐานตรงนี้นะครับ บอกวามาจากมณฑุน า, นานชยนะหน้าอท่าไร่อะร้อยเก้าสิบ็ดไหมครับที่เขียวเม่พ้นจต่ก็เหมือนย่างปนปนะไม่พ้นกความเป็นย่างน้เปรนะครับวันนี้เป็นย่างก็ไม่ใช่มันจะสนุกนะอ่าบอกว่าอยไปเป็นนักเลงเป็นย่างอะไลแค่เป็นย่างข้าบาตนะคะ <laughs> รับ